พร้อมเลยยังวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องค์หลวงตาของเราละสังขารเมื่อวันที่30วันนี้เป็นวันที่14เป็นเวลา16วันนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา16วันพวกคณะลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าได้เตรียมพร้อมในการจัดสถานที่ มีเมนมีแล้วก็สถานที่ต้อนรับแขกคนคิดว่างานนี้คณะกรรมการหรือคณะสิทธิ์ทั้งหลายประเมินกันว่าคนจะมาเป็นล้านเพราะนั้นเราเตรียมงานเพื่อจะรับรองรับคนเป็นล้านเราจะเตรียมการอย่างไรแต่ต้องมีจุดที่ขาดตกบกพ้องแน่นอน ขาดตกบกพ้องแน่นอนแต่ว่าจะให้ขาดตกบกพ้องน้อยที่สุดคณะกรรมการจะจัดงานให้ขาดตกบกพ้องน้อยที่สุดเว้นเสียแต่อย่างฝนตกอย่างวันนี้นะถ้าถึงวันนั้นถ้าฝนตกอย่างวันนี้อันนั้นก็สุดวิสัยแต่ถ้าหากว่าดินฟ้าอากาศไม่มีอะไรเ็คิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพราะนั้นขอให้คณะชาติญาติยมทั้งอยู่ทางไกลไม่ใช่ว่าพูดอยู่ในหน้างานาได้คิดปรึกษาปรรบกันแต่ถึงยังไงก็ขอให้วันนั้นวันที่หถ้าว่าท่านผู้ใดมาก็ให้ช่วยตนเองให้คิดช่วยตนเองถ้าว่าผู้ใดสุขภาพเดินทางไกลเขาไม่ค่อยดีอย่างนี้นก็ให้ดูดู แต่ว่าคงจะได้เดินบางครั้งอาจจะเดินทางไกลแต่อาจจะมีรถลำเลียงมาเข้ามาสู่งานได้ในวันนั้นก็ขอประกาศหรือว่าขอบอกแนะนำคร่าวๆให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่จะมาร่วมในวันนั้นแล้วก็งานของพวกเราเรื่องรับบริจาคก็ยังรับไปเรื่อยเรื่อยเรื่องทองคำเข้าคังหลวงก็ทาตามพินัยกรรมขององค์หลวงาตา แล้วก็จะมีหนังสือเดือหนังสือแจกมีไหมในวันนั้นมีมีแน่นอนเตรียมการไว้เต็มที่เหมือนกันเพราะหลวงตาท่านมีธรรมะทำคำสอนเพราะนั้นพวกเราก็จพยายามรวบรวมทำคำสอนขององค์หลวงตาให้มากที่สุดที่จะแจกในวันนั้นอาจจะแจกเป็นที่ล้ำลึกของพวกเราสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายจะพยายามทาให้มากพอสมควรกว่าทุกครั้ง ที่เราจะต้องแจกหนังสือนะแล้ววันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันวาเลนใช่ไหมวันวาเลนวันแห่งความรักนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ในป่ารงพงไพหลวงพ่อก็นได้ยินไว้แหวองเหมือนกันนะวันวาเลนไทยประมาณนั้ แต่ถึงยังไงก็ตามนะพี่น้องคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงจะคิดทำอะไรนะหลูกพ่อขอย้ำเตือนอยากคิดทำอะไรต้องคิดถึงพ่อต้องคิดถึงหัวอกพ่อแม่ของพวกเราเราจะทำย่างไรเราจะไปเที่ยวกินเหล้าเมายาสุลานาลีอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ของเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลาบาก เนี่ยอันนี้ลงตามหาบัวท่านสอนนะหลวงพ่อก็ได้รับถ่ายทอดจากองค์หลวงตาเหมือนกันหลวงพ่อจะถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังเหมือนกันเราจะทำอะไรเราต้องคิดถึงหัวอกพ่อแม่เราไปกินเหล้าไปตีหัวเขาเข้าทั้งนี้แล้วไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเข้าอย่างเนี้ยพ่อแม่ของเราจะเสียใจขนาดไหนวงศาคณาญาติของเราจะเสียใจขนาดไหน เราจะไปคิดสนุกเป็นเพียงปเะเดียวปดาวแล้วก็ไปทําความชั่วเสียหายอันนั้นนักคิดนะลูกหลานพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ใช่แต่คนหนุ่มผู้เท่าผู้แกก็เหมือนกันไปกินเหล้าเมายาเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเห็นไม่ดีนะวันความรักขึ้นมาก็ไปกินเหล้าไปดื่มโซราไปสเลีเทเมา ให้ลูกหลานไม่ขาดความเคารพวันนั้นก็ไม่ดีลูกหลานก็เหมือนกันถ้าหากว่าลูกหลานไปทําไม่ดีไปกินเหล้าไปเที่ยวเตะอะไรทําให้เสียหายพ่อแม่ก็เสียใจเพราะนั้นขอฝากไว้กับชุมชนสังคมทุกทุ ก, ทกหมู่ทุกเหล่าเนอะคือสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีในหลักของพระพุทธศาสนาใช่ า, ากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่า เพราะเราทำสิ่งที่มันชั่วนั้นมันจะเสียหายต่อไปเมื่อภายหลังติดตามเราได้ยินไปถึงไหนอายไปถึงนั่นพ่อแม่ก็อ้ายพี่น้องก็อายตัวเองก็อ้ายเพราะเห็นไรเพราะตัวเองไม่ได้ยังคิดในขณะที่ทำเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเรา ท, ทุกทท่านไม่ว่าคนน้อยคนหนุ่มไม่ว่าผู้เท่าผู้แก่ไม่ว่าผู้สูงอายุทุกคนนั่นะทุกคน ถ้ากระดุกกระดิกได้อยู่เพร้อมที่จะทําความชั่วได้ะเตือนท่างหลวงพ่ออินด้วยหลวงพ่ออินเนยอหลวงพ่ออินยังกระดุกกระดิกได้อยู่เนี่ยพร้อมที่จะทาํทากายเจรกัมวจีกรรมมโนกรรมกายเจรกมคืออะไรคือทําสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องวจีกรรมคืออะไรคือพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มโนกรรมคืออะไรคือคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเทวกรรมทํากรรมดีคือคิดเป็นกุศลทําดี พูดดีนะขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะคณะจักรไทยญาติโยมทุกคนพูดคิดดีทำดีพูดดีนะในวันนี้จึงจะเป็นสิริเป็นมงคล น, นะเอารับพรนะัตเนน้นะรรับพรอุโมตนาให้พร